มันก็มีในโลกครับพูดแล้วมันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาพูดยืดใส่กระตัม้างทํายึดใส่กระตัม้างคิดยึดใส่กระตัม้างฟังดูทีนี้ผมละอายแต่ใจนี่โอ ต, ตปาความเกลงกลัวต่อบาปคนอื่นบ่เห็นเขาก็เห็นแล้ะบ่เขาจีบเป็นผ้าเดียบุคคลนี่นี่ครับแต่ว่าเขาบ่เป็นกนระตัม้าง ใครที่เห็นมันไม่มีเครื่องหมายด้วครับของมูอหนี่ยครับนี่เดีตั้ง อ, อกตั้งใจให้เสื้อกันเสริมสร้างตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปมือแรงได้เวลาพอสมควรแล้วอยัดมันมือเกินไปได้ยัดมันสวยเกินไปเอามาทีละฆังทําวัดทําวัดเศร้าทําวัดเย็นบมจาเป็นกับโบต้องขาด ต้อตอไปนี่ผมอาจจะคิดแนวนึงถ้าหากว่าปฏิบัติไปมันได้ผล น, น้อยผมก็ว่าคิดว่าไปบินท บ, บาทมาแล้วเอาเขาออกจากบาทให้ไปสันผู้เดียวแจ่ให้ไปสันบวชให้ไปสั น, สนเอาไปเย็นเหลือหุงแต ก, กับว่าเอาเด้ครับให้ไปสันพอดีนมเนมบวชจ้องเก็บเข้าไปในกุติครับสันเดิ้วเก็บเรียบร้อยสถานทีรกระดาษข่าวกระดาษท่งพลาสติกเก็บให้หมึด ทำมันเรียบร้อยอยู่เนี่ยเนื้ อ, อคือกันเน้นคือกันอย่าให้มันจู้จีนจ้าจ้านของเฮตูนี่มันกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวดีๆเนี่ยนะครต้องเป็นเกษตรกรเริ่มลงมือตั้งแต่เ ม, มื่ออื่นนี่ไปเบอเดียวภัยเห็นกระดาษยื่ใส่ข่าวข่าวจับมาทิ้งฝักไว้ย้ายมันเห็นให้มันเป็นระเบียบเรียบลอยคนทั้งอื่นมาเห็นหน้าขลุหน้านับถือ เมื่อข้าเจ้าหน้าคารบหน้าน่าถือแล้วข้าเจ้าศรัทธาเองครับเอาอย่างให้ข้าเจ้าศรัทธาอเอาให้ซัวมข้าเจ้าจิศรัทธาอเอาให้หยัง่งเอาให้ ด, ดีแล้วข้าเจ้าศรัทธาเองเป็นยงธรรมะอันนี้มันเป็นธรรมะสากลครับมันเป็นของทุกทุกคนไปแล้ไม่เี็ของผู้ใดเลยครับจริงว่าพระนั่นมีประจําตัวเอาแล้วผมไว้ฟังเมื่อแหลงผมเดินจมกองไป ผมนุ่งกางเกงอยู่ะวะข่มโลภขมโกดข่มหลงเรียกว่าโทสะโมหะโลภะอันเนี้ยลุดล็อกไปเลยเออโน้นั้นมันเป็นอย่างซี้เด้โทสะโมหะโลภะมันออกไปเนี่ยวะท่านผมเลยเห็นนะท่ น, นเห็นอยู่ตรงท่นที่ข่อมเพื่อเอื้นตาทิพย์เห็นอันนี้ครับหูทิพย์ฟังธรรมะเป็นเออกูได้เป็นพระได้แล้วเด้บันี้เป็นอย่างนี้สื่อเผมกระหยาดอยู่ในขาวขานะ ของเป็นโยมเนี่ยนุ่งกางเกงอยู่นีกกน่ควมเป็นผ้าแบบนี้แหละให้เขาสแสวงฮะให้มันเกิดมันเป็นมันมีขึ้นภายในจิตใจของเขาอันเป็นผ้าในรูปแบบนี้ก็ดีแล้วอันนี้ก็ดีบุตรสมันบุดีครับแต่มันดีโบขนาดตัวอย่างที่ผมว่านี้ครับถ้าหากเขาจำนวนอยู่นี่เก้าองค์สิบองค์นี่ซ่วยกันทำดีนี่ผมว่าเรื่องผม่าเนี่ย ปฏิบัติการได้บ่ปฏิบัติกันได้ท่านบ่เป็นคนโง่จากคนเลิกมือเนี่ยก็แล้วซื้อนี่นะเรื่องอันนี้นะหนังสือทีมกบฏซื้อมาดูหัวมาละกแล้วซื้อนี่นะสึ่งเสพติดทุกประเพคกุลเลิกได้เมื่อนี้นะแล้วซื้ออันเนี่ยตอนทางใจที่สำคัญอยู่บนหัวใจของประธนสว่างเรื่องมืนี่เลิกได้ตัดขาดรถฟังขันเป็นคนน่ะขันบ่เป็นผีเด้อขันผีเทเลิกบ่ได้เหมือนบางยาบักผีเนี่ยก็นบมือนา พระอนี่ผ้าผีนี่ก็เปนบงยางสันดานสัตว์บุ้งไหมสันดานคนนั่นให้เข้าใจทังกันสัตว์กับคนก็ว่ากันอยางพี่กับคนก็ว่ากันอยางเพราะมันโมเขารู้ภาษากันครับคันท่านรู้ภาษากันแล้วอ๋อยันกระเบื้องของานโมท่านเหตุเราบุ้งไหมเคยยังผมวาเนอยูมืออื่นเนี่เลิกโลดหมดไปบินทับบากกลับไปหมเสื้อหอมพางไปเงียบบวกปากบวนอ่ะไปทั้งมด มูกับเบาเบานํำเฮาเขาเบาเบาน้ำมูดูโตเฮาไปบินท บ, บานมาขกับขืนมากะมาผั ก, กสันสันกับเบาปากบเบาเวลาสันเขากั บ, บว้ากับคุยกันบูมีโอกาสจะได้เบื้องผมคิดตัวเองจก๊กเสือมาไปเบื้องผมเว้าเมิดมันคิดมันอยังเวาคนเฮาเลื้อโได้เห็นเนื้อเห็นอารมณ์โบเอ่นอารมณ์ว่าไปตามอารมณ์ไปเท่ากั น, น, นถ้าหากเฮาเห็ด ก็คืออย่างผมว่านี่หมปากบอ ก, บอกเขาจะได้บุ้งควาคิดเขาได้บุ้งคิดขึ้นมาโอ้บุ้คิดเด้อะไรนี่เขาเห็นความคิดโอ้มันเป็นอารมณ์ไปเด้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ไป็นของเห็นแปลว่าเขามีสติเป็นเขาบ่กไปตามอารมณ์เลยเดย้สติก็เขาหูจักตัวเขานั่นแล้วความระลึกได้ก็คือเขาหูเมื่อตัวเขาโอ้มันคิดเมื่อกี้นี่กูบุ้งมีสติเด้ มันวอรเมื่อกี้ไปเมื่อกี้นี่กูบกรู้สึกตัวกูเด๊เนี่ยพญ่นว่าโบให้เบายู่ผู้เดียวให้ระวังความคิดเพิ่นว่ากันยู่กับนิกกับพักกับพวกกับพวกนั้นให้ระวังคําพูดคําจาเพิ่นว่ากันพ่อแม่เพิ่นสอนอันนี้ยู่ผู้เดียวก็ก็ว่าระวังความคิดตัวเองผมก็คือกันมันคิดไปตายเพินหัวเชนว่านอนบนหลับก็มีบางที ผมปากผมว้ายู่กับมู้กับเพุ่นอยากว่า ก, ก็นักว่าไปเน่ยมันบุแม่งคนนี่มันถี่ด้อันนั้นมันว่าไปตามอารมณ์อันให้เข้าใจอย่งนั้นเอามาปฏิบัติธรรมข่าวนี้ตั้งใจอย่าไปดินน้นหล่นผมว่านี่มู้จีเข้าใจว่าผมคันหน้า บ, บังคับบุญแม่นี่ครับผมว่าเพื่อควมหวังดีได้ครับดีกับมู้พุ่นพุ่นดีและผมก็เป็นคนเป็นผลพอยดีตามไปซื้อ ผมมาบอกมูลวิดนีนี้ก็ผมพี่เป็นคนดีมูลเพิ่งก็จะจเป็นผลพลอยดีตามไปซื้ อ, อ, อครับดีพ่อเฮาเฮ็ดดีอย่างวะถ้าห้าเฮาเฮ็ดดีแล้วขุมดีมันไหลมาเองลองบนแม่มือืน่นี่พูดถึงเฮ็ดซัวซะสองคนเฮ็ดดีซะเมื่อน้าต่อไปนี่ก็สองคนเฮ็ดซัวซะผู้ถึงเฮ็ดดีซะเมื่อต่อไปก็สามคนเฮ็ดซัวซะขุมดีเมดื่อ ม, มีคนมาเบื้องหน้าแล้วบัน มือนี้สัวซาจากสองขนมืออนี่ดีขึ้นมาซะสี่ขนดีขึ้นมามัดทุกคนดีแล้วโอ้ยขาจะาข้ า, ขา เ, าาเามาเบิ่งแล้วโอ้พระทับมิงขวนเนนทับมิงขวดญาติโยมทับมิงขวนแม่ขาเจ้าปฏิบัติมีระเบียบเรียบร้อยรู้จักขรลบนับถือกันบุญย่างสวงเซงเวงเออเนี่ยย่งางไปมีระเบียบเรียบร้อย เาจ้กันไปใส่มาใส่ห่มเสื้อหม่มผ้านุ่งผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าซุนนุ่งแบบนักเปลง่งบ่มีนุ่งแบบรักเปล่งนะครับว่าแบบเขาดื้อหัดบ่มแบบบัญพศิตบ่มีแบบสามณะผมเคยว่าให้มู่เพื่อนอยาเห็ดคันถ้าเจสันมีมลนหมนีไปโรดมืนออือ่นไปนุ่งอยู่บนอื่นอย่ามานุ่งอยู่นี่บ่อยเห็ดเป็นคําสั่งเด็ดขาดอันนี้ เพราะผมสังเกตดูมาหลายสำแหนักหลายคนผมบอกซื่ออยากให้ดีครับผมไม่อยากให้ซัวคันบางคนหาว่าผมบอกซัวโบเมนเนี่ยนะมันสั่นดันหมาอันบอกดีว่าหาวคนบอกซัวนะครับว่าสั่นดันมาสั่นดันสัตว์มันกัดเจ้าของเจ้าของขาให้กินอยู่คันด้วยที่มันกัดไปเฮ็ดันอยู่คำว่าสัตว์ไ่เป็นคนคันถ้าแม่นคนจะต้องรู้จักคารมนับถือ โอ้พจนเจตนาเราเด้นนี่เราต้องจําไว้เมื่อละเล็กละน้อยอมนันจะไหลไหลเข้าไปไหลไหลเข้าไปน้าคุณก็จิไหลออกไปน้ำใสก็จิไหลเข้าไปน้าคุณก็จิไหลออกไปผลที่สุดน้าคุณกับเม็ดมีแต่น้ำสะอาดซื่อเดี๋ยวนี้นี่น้ําคุณกับน้ำสะอาดมาคุกกันอยู่เขาเ อ, อิญ น, น้ําคุณน้ําคุณจริงบุคุณได้ครับ เขาเห็นน้ำตงมงัวตมควยเขายื่นน้ากลางให้กางนาเขาไปเขาไตอนาน้เขาเอื้นน้ำขุนบ่แม่น้ําคุนเน๊ะคิดตมต่างหากได้เห็นหน้ำขุนเอามาไว้ายบ่แม่บัดนั้นคิดตมคิดเลยมันคอยจมลงจมลงน้ำมันคุนวันนี้จมลงหมดแล้วก็น้ำกรใสอันตัวคมคิดกับตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาก็ ค, คือกันครับ มันหอกวขวนเขายุกเขายุกเข้ามาแล้วมาคุณมัดเนี่ยอันนั้นเพราะว่าผมคิดบ่มิไดสติบ่มิสมาธิบ่มิได้ปัญญาจําให้มันดีอันนี้โอ้อย่าพอว่าน้อตะกอดใน่น้ามันบุคุนอันนั้นคุณบ่มิไ้นามันไม่ตะกอดตังหกักอันตัวคิดนั้นหนนบ่มิสติปัญญามันนี่ผมคิดคนอื่นสังหารปุงแตงอันนั้น มันนี่ตัวเขาเห็นความคิดนั้นปวดเอื้นสติกับความรู้สึกตัวหึนะืตะกอนมันจมหลงน้ำมันสะอาดบัด น, นี้เมื่อน้ำสะอาดแล้วปวดเอื้อนจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติคันนี้ปกติน้ามันขุ่นเขาก็เห็นเสนอบริษัทน้ำขุ่นอันนี้เป็นภาษาเว้าครับอันนี้ จิตใจพ้องใส่จิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอันใดผิดอันใดถูกพล อ, อ้นวารวิปัสนาอันั น, นี้เขาโบได้เป็นนักสันติ์ือเขาต้องฝึกเหตจังหวะเดินจมกลมเพื่อให้เกิดควมเห็นแจ้งอันนี้อันนี้เป็นการฝึกหัดให้เขาให้มันรู้ตัวเขาเหตจังหวะอย่าข่านอย่าเป็นนางงุศกิดอยู่พูดนึงพู้เดียวบอก ขึ้นของผมไปเบิ่งมือหนึ่งอย่างบได้เขาตั้งแต่กดคุณนั่นข้อพงมืนอนั่นผมกดลวงตาหลวงพ่อเก็บนีมัดบัวให้มีครับมืออื่นนี้บอดดือมือใดผมกะจิ้ออกไปเบิ่งทุกอุดทีเดียวให้มีพระเจวรนสองผืนพระสะบงสองผืนพระอังศาสองผืนขันธายังมา ก, กับมีพระหอมผืนหนึ่งกับมอนสะอาดกับพอนอกจากขันออกให้นมัดบัวให้มีลายของครับมันหก มันเป็นหังหนูครับเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างออกมาทิ้มใส่ขุมอันนี้บนนั่นหลังผมอยู่นี่ครับใส่ขุมมันเต็มไปหมดนี่นบ่เดียวไม่เศษไม่เหลือไม่ออกเก็บมาให้มัดผงพลาสติกสตึกกระดาษกระเดินนมเนมเขากินเนี่ยนะเอามาทิ้มพี่ให้มดอย่าให้มันสกปรกญาติโยมเขาจะมาทางไกลเขาจะจิมาเห็นมันก็จะมาเห็นกับมันก็โอ้สวยเนาะ ต้นไม้ต้นตอกเขานี่ก็พยายามเบิ้งแล้วกวดบนสูงลงมาบนต่ํากวดขี้ดินเข้าใจทั้งท่นอย่าสูา้กวดบนต่าไปหาบนสูงเขาพยายามมันห้าบมันเตียนอันเฮาก็คือกันอืมใจครับพยายามให้มันห้าบมันเตียนอย่าให้มันหกเป็นหลุมเป็นบอ่อ ท, ที่เนี่ยพอมาไวา้ฟังมือนีนี่น่นะพอเวลามันหมึดไปหมึดไป มืออื่นเนี่ยข้าเจ้ากับพวกสร้างข้าเจ้ากับเลริบอยามายุ่งข้าเจ้าโบเป็นหน้าที่ทุกองคันผมโบสั่งครับผมสั่งบอกไปซ้อยข้าเจ้าเดี๋ยวเดียวต้องไปคันผมโบสร้างโบต้องไปผมเองเป็นคนคุมผมเองเป็นคนบงผม้โบสร้างเอกครับผมมันหูจักเออเจ้กก่อนเหตุกันลาระทบ่ผมหูจักจ้างข้าเจ้าเหตุบนโลกโตเซงผมก็เอาบาดเดนนี้ผมเบิ่งเป็นแล้วครับโอ้ สร้างให้จังซีสร้างให้จังซีอันใดพิษอันใดทูกพอเหมาะสมก็กว่าได้เป็นอย่างไรมู่เพิ่นว่เป็นหน้าที่ทั้งหมดทุกองคครับ <c oughs> ผมว่าเนี่ยพอไปสร้างข้เจ้าข้าเจ้าจีบัวเอาหนำเหามันเสียเลียมเห่าแล้วบัดนี้เป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ของมู่เพิ่นตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเท่า น, นั้นจะถือนั่งอยู่ในกุฏไถยกุฏิลาวคันถึิงเวลาสั่นเพลงขาเจ้ากรตีเพลงลนะกกะห่มเสื้อห่มผ้าออกมาคอยยางออกมา ย่าสูางมาลุกซุกซิกไปยางไปเป็นระเบียบเรียบร้อให้มันคลายคลายคือกันให้ว่นเดไปมันน่าดูเนี่ยคนนึ่งเห็ดย่างนึ่งคนนึงเห็ดย่างเนื้อมันก็บนหน้าดูแล้วเว้ยมันก็ตีแข้งตีขาเอาไม่เอามือไปคนละเบื้องละอย่างไปมันก็บนหน้าเขาลุบบนหน้านถืออ่าที่ผมนํามาเล่าให้ฟังตอนเย็นอ่าเมื่อแหลงแต่คำเมื่อนี่ยนึกว่าจําได้แก้ไขได้โหลด ถ้าหากอง์ใดบ่นยอมแก้ไขกันมนมนมืออื่นเท่ากันนีมนจีไปบินทบากก็ได้พวกไปบินทบากก็ได้จีไปสั่นหน้าก็ได้หรือจีสั่นนี้ก็ได้ไว้อยู่ผมบอกไม่ขาดเป็นคำสั่งอันนึ่งครับเพราะว่าผมจะพยายามพิษกันแล้วทุกองค์ประมาณที่ผมนหมอร้อยกลางกลางหนึ่งว่าสุ่มคนเกิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี่ผมและพรรคพวกเพื่อนฝูงทุกคน ผมขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำทั้งสอนขององค์สุญุพัฒมาสมุรเจ้าและคุณของพระตาสาวกพระธมาสมุริยเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมทินในคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้พบได้เห็นเอาในจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอนไรทุกๆอย่าง นักตัดจินใจโดยไม่ผิดพลาดอย่างที่พระพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล่แห่งนั้นแล้จึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ขอให้พุกคนทุกคนจงประสบความสําเร็จในระยะเวลาอใกล้ในจงทุกๆุกคนเธอ